นบทําจํานงด้วยจิตและกายวายใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนได้เมดแล้วใครสอนเก่งโกมูไในไตโรคธาตุสู้พระพุทธเจ้าว่ได้พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์สมบัติสอนสวรรค์สมบัติสอนพระพสมบัติสอนดิพานสมบัติบริบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าจะมีกิริยาราชพระองค์ก็ตาม จะมาเป็นยุกยกุกอันนี้กษัตตะโกตยโยพระพุทธเจ้ามากกอร้อยโกรดมาตัดส์รูเป็นยกุกกุกยกุกในระหว่างล้านล้านปีเลยโกรดโกรดปีจึงมาข้าวหนึ่งในมนุษย์ก็ตามแต่ก็มีคําสอนอันเดียวกันมีพรบอันเดียวกันการปกครองโลค ก, ก็เอ่ยอันเดียวกัน ทำเป็นโรกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวกลัวต่อบาปแล้วกฎอนไมก้หมู ก, ก้อนผักก้พวกอะไรก็ตั้งไม่อยู่อูข้องทำก็ไม่นําคําหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทางความชจ้าในที่แจ้งไว้ได้ก็ไปทําในเทรับนี่ที่พกครองโลกพระพุทธเจ้าสอนเนี่ย เขาพูทีเจ้าองค์ไดนมาสอนอันเดียวกันวัดแต่พวกเราขี่โ อ, โ อ, โ อ, โอนถือว่าจากการเอาถ้าไม่ละอายตบเบาปไปกลัวตบเบาแล้วก็ไปล่วงแล้วมิดเสียหน้เอ้าเศร้าโลกว่าตั้งแต่อายุเก๊ปปีมากว่าบาไปเสียจริอเพชรมนุษย์ไม่เสียหน้าบริบูรณ์เบื้องตัวกฎหมายก็ไม่ต้อง ม, ม, มีตำรวจก็ไม่มีต้องมีทหารก็ไม่ต้องมี เรียนจําก็ไม่ต้องมีโทษตวนก็ไม่ต้องมีการลบลาฆ่าฟันกันก็ไม่ต้องมีการลักขโมยกันก็ไม่ต้องมีเพราะศีลห้ามันเป็นศีลปกครองโลกแล้วเหตุฉะนั้นท่านจึงยืนยันว่าผู้ใดมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดจึงเป็นพระสสดาบาลพระสวัสดิบัล น, นั่นเองมันผู้ปกครองโลกบัณฑิตโตคละมาวะสังบัณฑิต เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้ปกครองเรือนบัณฑิตบัณฑิตโตคละมาวาสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนนัตถีาร า, าปเรนายกาคนพานไว้ใช่คนหัวหน้าบัณฑิตตาปเรนายะกาบัณฑิตจึงเป็นคนหัวหน้าหเมนาบาณฑนาเมืองคือกันหัวหนาประเทศซาดคือการหัวหนาโล ก, กคือกัน มันก็ต้องเอาศีลเอาธรรมผัวข้องมันจังอยู่ท่านเอากิลเลสมาพวกข้องมันทะยูพระจะไปทอข้ามสอนพระพุทธเจ้าทางไห น, นจเจริญพระสมาธิพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วมนุษย์สมบัติคืออะไรก็คือเสียนห้านั่นเองพัฒนาวัตถุนิยมและโอดมคติไปในตัว พัฒนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวด้วยพระบรมศาสดาเอ้าถ้าชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณ์กฎหมายกฎหมู่กดพักกดพวกก็ไม่ต้องตั้งมากของชาวโลกตั้งแต่เพียงกฎหมายงบประมาณหรือภาษีอากรก็พอแล้ว สิ่งไหนที่พระสัรมาพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่มีเลยอบายมุกทุกประเภทมันเป็นมนุษย์วิบัติมันก็เป็นสวรรค์นิบัติมันก็เป็นพรหมนิบัติมันก็เป็นพระนิพพานนิบัติด้วยนะถ้าเวทอบายมุกทุกประเภทก็เป็นมนุษย์นิบัติก็เป็นสวรรค์นิบัติก็เป็นพรหมนิบัติก็เป็นนิพพานนิบัติไปในตัวไม่ลำบากเลย อ๋อขี้พ่นมาจากสก็มาจากอาทิตย์หน้าท่านและก็ป๋าน้าที่บาเอา๋อโรคเอสด้วยจากสยกยก็มา่จากกาไม่ใชีวิตยาขาจานขาจานาวันรัวไมีขอบเขตอ๋อต้มสุนกันันมา่จากสายสนอเอเอก็มา่จากมือสาวาด น, านนี่ฮะฮะนี่อคากันย่อน ดูในว่งโบกว่งเหล่าม้าจากใสก้ากจากเหล่าเป็นส่วนใหญ่ น, นักขามีก้อม้หาคอนี้แล้วมันก็นอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างุคคนผู้มีอายุสั้นเพราะเหตุใดเพราะเคยฆ่าสัตว์แต่ชาติก่อนมากบุคคลผู้มีอายุยาวก็ตรงกันข้ามา มีอายุยาวอยู่แต่ว่ามีโรคมากเขาเคยได้เคียนได้ตีสัตว์มาแต่ชาติก่อนพระบรมาราศาสดาสอนบุคคลผู้มีสิ่งมีของก็มีแต่ผู้บางเบียดมีแต่เขาทักศกจกห่อจี้ร่นสารพัดพระอะไรก็พระเคยทำเขาแต่มาชาติก่อนนบุคคลเคยเขาข่มขืนหรือสารพัดในเรื่องการมารมณ์พระเป็นอะไรก็พระเคยได้ทาเขามาแต่ชาติก่อน มีแต่เขามาต้มมาตุน๋นก็เคยทําแต่เขาสายชาติก่อนเกิดมาเป็นคนว่าไหวเสือจริตผิดมนุษย์ก็คือเศษกรรมของดื่มสุรานั่นเองก็เลยเกิดมาเป็นคนว่าไหวเสือจริตผิดมนุษย์อันไปตกมลหกยังว่าท่านว่าอย่างเนี้ยว่าควางไปแล้วเนี่ยมันถึงย่าเาโพดอันจะเป็นเพจยังว่าท่านว่าอันนี้ว่าควางไปเอาเต้โต้เข้าไปเพื่อให้มันย่อร่อง วิธีนะครับโรคเอสพระพุทธเจ้าสอนนะพี่ก็น่าห้างกระดูกให้มันเห็นเป็นห้างกระดูกอยู่มันจังหวัดหลวงหนังพเนาสัน่นมันบพพี่ก็น่าห้างกระดูกกันก็มันจะเป็นโรคเอสดิ้นให้ลอกหนังออ ก, กสัน่นสมุติสมุติลอกหนังออ ก, กสัน่นสองาากระตังกระเบือไม่นั่นหอกนั่นมูเข้ามันเป็นโรคเอมาแล้วจะไปหายามา หายาว่าใช่รักษาไม่ใช่ตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟเพราะพระพุทธเจ้าตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟแล้วคือสอนให้มีเสี้ยวห้าบริบูรณ์ก็คือปลดเวรนภัยแล้วเหตุนั่นจึงว่าปานาทิ ป, า, า, ทป า, าตาเป็นข้อห้ามเวรบณีข้อนี้เว้นแล้วเวน้นว่าอย่างนั้นอนาทินนาธานาก็เป็นข้อห้ามเวรบณีเว้นแล้วเว้นข้อนี้ มือเฮาบอกพันเว้นนี่ผู้ใดอยากถึงพระสวสดา์บันฑ์ยาเสียดายถือศาสดาอื่นยาเสียดายถืออยู่ย้งคงกับพันยาเสียดายเดินเร่เดินผ้าเดินวัดเดินเบื่อยาเสียดายจองเว้นผู้ใดให้ผู้ใดมาทำพิษกับเขียดอยู่ แต่ว่าเคยทําผิดเขามาแต่ศาสตร์กรกันให้แม่เลี้ยกลับไปซะขามากอรไม่กัแม่เลี้ยงกลไปซะอดปานไอก็อดเอาบดถึงกับขาแต่ออยุ่งแตยังวอเสียดายกับขาวอร์เสียดายสียหลวงระเมิดเสียนาเลยเช่นไหนที่ไปจองเว้นคนงันทูบเจแปนโนห่หรือคันเถึงพระสวัสดิบาลเล้วงพระสัะท่าข้ามี่อานาข้ามี่พระราหันก็เปิดประตูไปเองอประตูบุญมันจะไปจบกันยู่ พระรหัตตมรรควัตถุบาปก็จะไปจดกันด้วยพระรหัตมรรคมันเต็มแล้วเต็มพระรหัตตมรรคนั่นละนี่ยยุ่งต่อไปกับเนื้อบาปเนื้อบุญไปแล้วนะบุญของพระสุพเจ้ปโนเป็นบุญว่านหน้าบาลหน้าไปสู่ความเจริญบานไปจนถึงพระรหัตมรรคบาปก็จะไปหมดกันที่พระรหัตตมรรคบุญก็จะไปบานเต็มที่พระรหัตตมรรคต่ำกว่านั้นลงมาไม่ต้องเอ่ยเลย ก็เป็นบุญวัดบุญแล้วก็ไปบาปวัดบาปแล้วก็เป็นบุญวัดบุญเป็นแบบวนเวียนอยู่เหมือนภายเรือในเอ่งเพราะเป็นบุญโลกีบุญโลกุระโลกุตะบาปโลกุตระคือบาปพระสวดาวันนับวันจะร้อยหลอไปเหมือนดังพระจันท์ในวันข้างแรมบุญพระสวัสดิวันก็นับวันจะเจริญขึ้นเหมือนดังพระจันท์ในวันข้างขึ้นได้จนถึงเพนแต่ไม่กลับมาแหมอีก ซึ่งเ่านี่เป็นนาทีของชาวพุทธจะรู้จักทั้งนั้นลัทธิใดๆในแต่โสโลกธาตุเนี่ยนกหนูปูปีกปูปานานา้มอะไรสัตว์สีเท่าสองเท่าสัตว์เ ส, สือกสัตว์คารวไวในน้าดำในดินบินในอากาศก็ตามเขาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงจะ สามารถเข้าสู่พระา槃ได้เช่นภาษารีบุตรและพระโมกคันลาก็มาเลื่อมใสศาสนาพุทธเสียก่อนออกกากสนชัยนาตบุตรมาแล้วจึงสามารถสำเร็จพระสวดาวันเติดจนถึงพระอรหันต์ลัทธิใดๆก็าตามศาสนาใดๆก็าตาม ก็ต้องคลายความเลื่อมใสมาถือศาสนาพุทธร่วมกันหมดเสียก่อนจึงจะพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยไม่เหลือได้จึงมีพระสุวัจจะปโนโอชุยายะสามีได้ยกอาณาดาบทอุจกดาบทรามบุตรได้สมาบัตแปดสมาบัตเจ็ดสมาบัตแปดแล้วแต่ยังไม่ถึงพระโสดาบันพอพระบรมศาสน า, า, าตัสรูแล้ว ก็นึกถึงพระคุณของท่านก็นึกว่าจะมาเทศนาโปรดท่านแต่ท่านล่วงลับไปแล้วได้เจ็ดวันแล้วโอ้เสียดายหนอขึ้นไปเกิดในภพมโรคในอรู ป, ประพแปดหมื่นสี่พันกับยังเป็นโลกีอยู่ยังไม่ถึงสุปฏิป น, นพระเหตุใดพระยังไม่แสดงตนเป็นอุาสุขอุบาสิกาของพระพุทธศาสนา ยังไม่ใจถึงพระพุทธศาสนายังเป็นลัทธิอื่นแข่งขันไปชันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เหตุนั้นจึงยืนยันว่ายังเขีนที่รัตนังโรเกวิชิติวิธังพุทธรัตนังคุตธะสมานนาธิตัตมะโสดที่พวันตุเตรรัตนะอันใดในโลกนี้จะสมัเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลย ด้วยกาวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราถือปฏิเสธแล้วนัททิเมแสังกันยังสรณนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระริยสงฆ์เจ้าเป็นสรณะของอันประเสริฐของข้าพรเจ้าด้วยกาวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราเราปฏิเสธแล้วมาตัวข้าข้ามันดาปีตัวข้าข้าเวดาอรหัตตค่าข้าพลาน โลหิตตบาตทำลายพระพุทธเจ้าถึงยอมโลหิตให้ห่อขึ้นไปสังฆเภทยังสงฆ์แตกจากกันอัญญัตทัตุเทศถือศาสธรดาอื่นก็ไม่สามารถจะถึงพระโสดาบันได้เราเคยได้ยินตั้งแต่อนันตเรกรรมห้าอนันติยกรรมหกมันมีอยู่อีกในธรรมหมวดหกนี่เป็นคำลบเบื้องต้น พระโสดาบันยังมีอีกภูมิพระโสดาบันไม่ถือเส ย, ยศาสตร์ไม่ถือเวทมนตร์กลราคาถาไม่ถือเลิกดียามดีด้วยถือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่านั้นถือเชื่อกรรมและผลของกรรมอ้าบาเป็นไปเป็นพยานศาสนาไหนบุญไปเป็นพยานศาสนาไหนก็ไปเป็นพยานพระสมณะพระพุทธเจ้า ทำดีก็ไปเป็นพยานพระสมานพรพุทธเจ้าทำชั่วก็ไปเป็นพยานพระสมานพรพุทธเจ้าเราหากบอกแล้วว่าให้ไม่ทำอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่บอกเราสอนโลกมาแต่นานๆานแล้วถึงเราไม่สอนโลกพระองค์อื่นที่ล่วงมาก็มาสอนตรงกันหมดไม่ได้แข่งดีแข่งเด่นกันเลยไม่ใช่ไม่ได้แข่งพรบกันเลยเพราะสอนเหมือนกันหมดตรงกันหมด ไม่วอกคร้องเลยพระพุทธเจ้าองหต ก, ก่อนก็ดีจะมาในอนาคตก็ดีสอนตรงกันหมดเหตุนั้นผู้ทําดีมันได้รับผลดีก็ไปเป็นพยานของพระสมณะพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกผู้ทําชั่วได้รับผลชั่วมันก็ไปเป็นพยานของพระสมณะพระพุทธเจ้าอีกถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันใช่หรือไม่คดีดําคดีแดงในโรงในศาลมาจกกระเสียนเป็นแต่ กรรมและผลของกรรมในทางดีในทางชั่วมันจบระษียณมันไปนมันก็ตามไปจนชาติเข้าสู่พระนิพพานเหมือนจังเหมือนพระบรมศาสตาไปขันโมงวันนั่นเองแต่มันตามถึงพระรหันต์มันก็ตามไม่ถึงท่านมันถึงแต่ขันห้าของท่านเช่นเขาฆ่าโมกพระโมคคลาเหมือนกันมันก็ไปถึงแต่ขันห้าของท่านส่วนท่านทิ้งขันห้าแล้วมันก็ไม่ถึงท่านเพราะท่านไม่ยินดีในขันห้าแล้วไม่ยินดีใน ชาตินายพบแล้วมันก็ไม่ถูกท่านมันก็กลับคืนถูกเขาคล้ายๆกับกาปูนโตงลมมันตามไม่ถึงพระจิตของท่านถึงพระนิพพานแล้วมันก็ตามไม่ถึงมันก็ตามถึงตั้งแต่จาพวกที่ไม่พ้นจากกิเลสพวกพ้นจากกิเลสแล้วมันตามไม่ถึงคล้ายๆกับพวกนั่นออกนอกประเทศแล้ว ออกนอกโลกแล้วเวียนัยมันตามแต่อยู่ในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ยืนยันในโลกท่าปงปวงไม่สำคัญในโลกท่าปงปวงไม่ยินดีในโลกทานปวงแล้วมันก็ตามไม่ถึงเพราะท่านพ้นจากเกลียดไปแล้วแต่พวกเรามันตามมามันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาเพราะพวกเรายังไม่พ้นใช่ไหม <laughs> นี่ทาเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาทำเบื้องกลางยังมีอีก คำสอนแต่ละวัดระบาตส่งต่อพระนิพานหมดเช่นนโมอย่างนี้ก็ส่งต่อพระนิพานหมดนโมตัวเดียวมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนนโมพระโสดาบันเป็นนโมเทไม่หลงทางเข้าสู่พระนธพานเป็นนโมเบื้องต้นเป็นโลกุตระนโมนโมพุทธชนคนหนาหนโมเลียงนโมภาหนโมบัตหนโมเบอมันนอบไปคนละทาง นโมพระอนาคามีเป็นนโมที่ไม่มีละไม่มีราคะไม่มีโทสะนั่นนโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมและเขารับนโมพระลาหนพระลาหนเรียนนโมจบแล้วไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายนอบน้อมจนไม่มีโรคมีโกรธ ม, มีหลงชนนคมของพระลาหนก็เรียนชนนคมจบแล้วคมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายไม่มาโรคมาโกรธมาหลง พระหานก็เรียนถึงประโยชนเก้าเหมือนกันมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งมัคสีคืออะไรเสดาปฏิมาสกทาไคาม ร, ารมัคอนาใครมัคอหัตตะมัคผลสีคืออะไรเสดาปฏิผลสกทาไครผลอนาใครผลอนัตตผลกับนิพพานหนึ่งเรียกว่าเรียนถึงประโยคนเก้าจบแล้วแต่พวกเราทุกวันนี้เรียนถึงประโยคนเก้าก็กิเลสเท่าภูเขาก็มีบ้างหรือไม่มีเราก็ไม่ทราบได้เพราะมันเป็นของใครของมัน แต่ก่อนก็เรียนถึงมหาบทหลวงพ่อหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อพระละหันเป็นส่วนมากหลวงพ่อสิทธัตถะก็เป็นหลวงพ่อพระสัมมาทัพพิตรเจ้าใช่หรือไม่หลวงพ่อพระยศกัณฐ์บดก็เป็นหลวงพ่อพระละหันนะหลวงพ่อพระมหากัตถะกับหลวงแม่นางพัตกาปิราณีก็เป็นพระละหัน์ นางวนนางวันนานาปตาจารานางกุณฑละเกศีเหล่านี้เป็นหลวงแม่ทัพระรหัตทั้งนั้นใครหาความสุขในโลกเจอไหมทาเบื้องสูงพระพรหัตหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลย เหตุนั้นจึงเบื่อนายความหลงข้ามทะเลหลงของตนไปสักข้ามทะเลหลงก็ต้องข้ามที่นี่ถ้าข้ามที่อื่นขาฉีกตายข้ามที่นี่เมื่อความฉลาดเหนือความหลงแล้วก็ข้ามความหลงไปสักนอกจากสติปัญญาความฉลาดแล้วไม่มีอันไดจะมาข้ามความหลงเลย เมื่อข้ามความหลงแน่แล้วอวิชชาคือความโง่ความแตกก็เจองไปณที่นั้นเองทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบเลงแลดูรูปพระบรมศาราทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงไม่เบื่อไม่ไนายเลยทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมี กลิ่นเอ่อจึงมีจมูกพระชอบดมกลิ่นไม่เบื่อไม่นายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีเลี้ยนพระชอบลิ้มรสทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายพระสัตว์ทั้งหลายต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกระเทือนทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจพระชอบนึกคิดไม่เบื่อไม่นายเลย ความตรึกแปลนเครื่องสัญจรของโลกเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าเรารู้ตาตามเป็นจริงของตาเรารู้หูตามเป็นจริงของหูเรารู้จมูกตามเป็นจริงของจมูกเรารู้ลิ้นตามเป็นจริงของลิ้นตามสมุติเรารู้กายตามเป็นจริงของกายเรารู้ใจตามเป็นจริงของใจ แต่เราไม่ยืนยันอันใดเลยใจเป็นตาศักข์ว่าใจกายเป็นตาศักข์ว่าตายตาหูจมูกเลี้ยนกายเป็นตาศัก์ว่าตาหูจมูกเลี้ยนกายใจเป็นตาศัก์ว่าใจเราไม่ยึดถือสิ่งใดๆว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล<ม>เราพูดว่ามันว่าออกมาจากไหนมันก็มาออกมาออกมาจากใจ เราพูดน้อยก็หารลงมาหายใจเราจะนับแต่หนึ่งถึงล้านถึงแสนถึงโกดก็ตามก็นับออกไปจากหลักหน่วยถ้าย่นลงมาก็ย่นลงมาหารักหน่วยใช่ไหมฉันในกรณีแปดหมื่นสี่พันรรมาขันก็ย่นลงมาในปัจจุบันซักอดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคืออะไรคือกองทุกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคื อ, อกองทุกเทียกําลังอยู่เดียวนี่หายใจเขาออกอก็แ ก, ก๊ ก, กก็แก๊กอยี่ยนีน่อดีตคืออะไรคือความตายที่ล่วงไปแล้วกองทุกขคืออะไรคืออนาคตคืออะไรคื อ, อกองทุกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกเทียบกำลังเป็นอยู่ะ อดีตคือความตายที่ต้องไปแล้วอนาคตความตายที่ยังไม่มาถึงก็จะบางคือความตายที่กำลังไปอยู่คือตายจากเช่าสายบ่ายเที่ยงตายจากเวลาเดี๋ยวนี้ใกล้จะตายกว่าที่ขึ้นมานี่ใช่ไหมใกล้จะตายจะตายกว่าไม่เช่าในขี้ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนและผู้พูดด้วย เราเห็นลมหายใจข้างหนึ่งเห็นทั้งความเกิดขึ้นแปรปรวนแต่สลายด้วยพอเราบัญญัติร่าต้นลมมันก็กลายมาเป็นกลางลมพอเราบัญญัติว่ากลางลมมันก็กลายมาเป็นท้ายลมมันไม่มีต้นไม้มีปลายเสียแล้ววนเวียนอยู่อู่ปันจะขันถ้าใจหมายมั่นยืนยันว่าตนคงไม่พ้นยาพิษมารเผาจิจโง่เขลาถือเอาเป็นเหตุตกในเขตตั้นน้ํนาให้เป็นตัว ธรรมชา้นสูงของพระพุทธศาสนาเนี่ยทีแรกลงน้ามันก็ลงเต้นๆมันก็ลงไปน้ามันก็ลึกสิทีนี้ย่ดลงมาอะไรในปัจจุบันซะไตรสิขาศีนสมาธิปัญญาย่นลงมาในไปลงรอบย่นลงมาในปัจจุบันฉั้นทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิทยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน กิตตะเอาใจกาพระไฝในกรรมฐานที <mus> ่ตั้งไหวในปัจจุบันวิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไหวในปัจจุบันคุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งหรือวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไหวในปัจจุบันวิทยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไหวในปัจจุบันสติความระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไหวในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ ตั้งไว้ในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันตกลงทำห้าประการเป็นเชือกห้าเกลียวรวมลงอยู่ที่ในปัจจุบันทั้งนั้นศีลตัดศีลลงในปัจจุบันสะสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันสะก ป, ปัญญารอบรู้ในปัจจุบันสัลงในตัวเดียวเลยเอตานิบาศพูดเป็นเอตานิบาศถ้าพูดเป็นทุกขานิบาศก็กายกับใจถ้าพูดเป็น ติ ก, การณิบาตก็คือกายวายใจใจถ้าพูดเป็นชตุ ก, การณิบาตก็คืออริยสัจ ส, สี่หรือธาตุสีดินน้ำไฟลมถ้าพูดเป็นปัญจาการณิบาตก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าพูดเป็นชักการณิบาตก็ตาหูจมูกเล่นกายใจถ้าย้อนลงมาก็เป็นอาการิบาตอยู่ในที่ใจก็คือใจย้อนลงมาหายใจมโนภพังคมาธมามโนเสถ้ามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจข้อนะห้า มีห้าข้อถ้าไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นศีลตัวเดียวอยู่ที่ดวงใจใช่หรือไม่นั่นศีลแปดถ้าไม่ล่วงละเมิดทั้งแปดข้อก็มาเป็นเชือกแปดเปลี่ยวอยู่ที่ดวงใจใช่หรือไม่นั่นศีลสองรอยสิบศีลสิบก็มาบทสิบก็เหมือนกันศีลสิบก็เหมือนกันถ้าไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นเชือกสิบเปลียวอยู่ที่ดวงใจ สินองรอยี่สิเจ็ก็เหมือนกันถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นสองรอยี่สิบเจดียวอยู่ที่ดวงใจแปดหมื 80, ่นเชียพระธรรมขันถ้าไมาก็มารวมอยู่ที่ดวงใจอันเดียวเรียกว่าไตรสิกขาเ็ะว่าเรียกว่าสินสมาธิปัญญาก็ว่ารวมลงในที่ปัจจุบันนั่นเองวัดอดีตทีนี่ดีก็ดีไปแล้วลชั่วก็ชั่วไปแล้ว อนาคตดีก็ยังไมท่ทันดีชั่วก็ยังไม่ทันชั่วจงพิจารณาลงในปัจจุบันเถิดปัจจุบันนันจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม้ง่อนแงนคอนแคลนเลยถ้าเรามัวแต่ไปเที่ยวบทเอื้องในอนาคตปัจจุบันก็พลอยเสียไปด้วยถ้าเราไปมัวเที่ยว บทเอื้องแต่อดีตปัจจุบันก็พลอยเสียไปด้วยใครเป็นผู้ไปบทเอื้องในอดีตอนาคตก็คือปัจจุบันนั่นเองนั่นอา้าวปัจจุบันพระโสดาวันปัจจุบันสัคธาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหัน์ปัจจุบันพระปัจเจกปัจจุบันพระสมาสมพุทธเก้าจะเอามาเทียบกันมาได้เพราะมีน้าหนักต่างกันเพราะมีญานสัพยุตปัญญาต่างกันมาก เหตุนั่นทำแต่และวัดระบาทผู้ไปฟังหยู่ที่อันเดียวกันคนหนึ่งตีความหมายไปแบบหนึ่งคนหนึ่งตีความหมายไปแบบหนึ่งไม่เหมือนกันพระบาลมีสร้างมาไม่เหมือนกันบางแห่งพระบรมศาราปรเทศเป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเน้อเทศพระพาหิยะครับพอแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะ ท่านสร้างบา ร, รมีแก่ก้ามาแต่พบก่อนแล้วคำว่าเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเนื้อครับพอแล้วนั่นหมายความว่ายังไงคือไม่ยึดผู้รู้ว่าเป็นตนตนเป็นผู้รู้ม่ยึดผือผู้อื่นว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นผู้อื่นมานะทิพธิก็ไม่มีในที่นั้นผู้รู้มันเกิดดับเป็นเรืวไม่พอรู้แล้วมันก็เกิดดับเร็วนะัก มันก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเห็นอนิจจังคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นสังขารรอบหนึ่งเหมือนกันเห็นทุกคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นสังขารรอบหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครจะข้ามทะเลหลงของตนไปได้ปฏิบัติพื่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหามันก็ไม่มากทาไมจึงไม่มาก เพราะเห็นโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วไม่สงสัยโลกเลยเหตุนั่จนจึงพิจรณาทุ่งเทความเบื่อหน่ายที่เคยหลงมาคำว่าเบื่อหน่ายโลกก็คือเบื่อนายความหลงของตนนั่นเองคำว่าเบื่อเบื่อหน่ายตาหูจมูกลิ้นกายก็ดี ก็เบื่อนายความหลงของตนที่เคยไปหลงว่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองไอ้ที่แท้มันก็เกิดขึ้นแล้วแปรปวนไแตกสลายไปเอา้าคําพูดแต่และอย่างได้อย่างเดี๋ยวนี้พอพูดขึ้นแล้วก็ล่วงไปแล้วใช่หรือไม่นึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปแล้วพูดออกมาก็าล่วงไปแล้วเสียงไปเข้าหูส่งลงถึงใจก็ล่วงไปแล้วเหตุนั้น พระบรมเจงศาสนาจึงบอกว่าสติปัฏฐานสี่พิจารณากายเวทนาคิดธรรมนั้นให้พิจารณากายเป็นแต่สักว่ากายอย่าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้พิจารณาเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาความสวยสุขทุกอารมณ์อันไหก็ดีอุเบกขาก็ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแพรปรวนแล้แตกสลายให้พิจารณาคิดเป็นแต่สักว่าคิด เกิดดับเป็นเหมือนกันจิตเดี๋ยวไปเกิดเป็นอันนั้นเดี๋ยวไปเกิดเป็นอันนี้เดี๋ยวไปเกิดเป็นปูเป็นปลาเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เรียกว่าเกิดดับเป็นเหมือนกันวันหนึ่งก็เกิดดับหลายเดี๋ยวก็ไปเกิดในรักเดี๋ยวก็ไปเกิดในชังเดี๋ยวก็ไปเกิดในหลงอันหลงเนี่ยมันประจำอยู่แล้วถ้าไ่ยึดถือว่าเราเป็นจิตจิตเป็นเรามันก็ไม่ลำบาก ถ้ายึดถือว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตมันก็ลํำบากเพราะมันได้ระวังอยู่ระวังเจ็ตอยู่ดินภายนอกน้าภายนอกมันไม่ยึดถือว่ามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเราไปบัญญัติแค่มันแล้วเขาไปขี่ใส่มันก็ไม่ผูกเวรใช่ไหมเขาเอาไปเผาไฟมันก็ไม่ผูกเวรใช่ไหมเขาเอาไปต้มหรือไปอะไรมันก็ไม่ผูกเวรทั้งนั้นแต่ดินน้ำไฟลมข้างในของเราเนี่ยมึงไม่รู้จักกูหรือฮะมีผู้มาต้องใช่ไหม เขามาต้องใจก็เหมือนกันมึงไม่รู้จะ ก, กูหรือกูนี่เก่งคนหนึ่งนะถ้ามายึดถือใจแล้วใจเขาเป็นแต่สักว่าใจก็จบลงเพียงนั้นก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังมามาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ ผู้ทั้งสามการนี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนได้แต่สลายไปเหมือนกันเหตุนั้นจึงม่ได้บัญญัติผู้รูกว่าเป็นตนตนเป็นผู้รูกธรรมชั้นสูงจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานรูป ก, ก็เป็นแต่ศัก์ว่ารูปจิตก็เป็นแต่สักดิว่าจิเตเจตสิกความนึกคิดก็เป็นแต่สวามว่าความนึกคิดนิพพานก็ต่างหาไม่ใช่ ใจเป็นพระเนาพนานพระเนพานเป็นใจใจถ้าทำถูกก็เป็นหัวทางเข้าสู่พระเนปานถ้าทำผิดก็เป็นหัวหน้าลงสู่นรกใช่หรือไม่นั่นชาไมพูดปอย่างนี้จะก็อจะไม่ถึงใจพระอีกด้วยมสมะถะไม่เป็นปัญหาใครจเจริญสมรถะอะไรก็าตาม เมื่อจิตลงไปอยู่แล้วหมดกำลังมันก็ถอนออกมาเหมือนกันสมถะนั่นคืออนิจจังอันละเอียดบุญชั้นนี้แล้วก็ยเป็นอนิจจังอันละเอียดปฐมฌานทุติยฌานจติยฌานตะจุตฌานก็ตามอรูปฌานก็ตามหมดกำลังก็ถอนออกมาเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังอันละเอียด เหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซะชั้นสุดท้ายไม่มาหลงอีกเลยวิญญาณาฏิสันทิก็ไม่เสียดายอยากจะไปตั้งอยู่ในที่นั่นที่นี่พระมีแต่กองทุกข์พ่านี่มันทางกันเมื่อยหแล้วเอาลระบ่กซ้ำเนี่เมื่อยหลวะวนาะเอาว่าเพื่อได้เีวบอกว่ยั้งขืนกับบ่าซะเอา้า ใช่พ่อน hmm. ังกระซเอาละคันเน่ยพระเฮ้ากับต no. ั้งใจพระเจบัตสเข่าให้ไม่พ้นทุกในวัฏสงสารโม่เฮ้าให้เคล็ดลาบเฮียนเวซ่าเคล็ดลาบตัวว่ามันเฮียนเวซ่าเกิดเพิ่นในวัฏสงสารเกิดแก่เก็บตายนัดทีโลเกและหัวดำวะความรับไม่มีในโลกเกิดก็เกิดอย่างผึงผายเก็บก็เก็บอย่างผึงผายตายก็ตายอย่างผึงผายไม่มีที่ได <Ist>. ้รับเลย เรานึกโลภนึกโกรดนึกหลงเราก็รู้จักอยู่เราไม่นึกเราก็รู้จักอยู่เราพ่นแล้วเราก็รู้จักอยู่เราไม่พ่นเราก็รู้จักอยู่เหตุนั้นความลับจึงไม่มีในโลกนัทธิโลเกระหัวนะมะความลับไม่มีในโลกเ ร, ร, ราบอกเรามาศาสนศาสตร์ในเห็นเองทําแต่ละบดละบาทคนหนึ่งไปฟังก็ได้ถึง ตาสมาคมคนหนึ่งฟังได้ถึงพระรหั์เช่นพระบรมศาสตราประเทศอยู่ที่ข้างภูเขาคิดจะกูดทีขณิกะอคิเวศนาคดไปฟังอยู่ซึ่งหน้าถ้าท่านเทศเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาคือขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วกว่อแปรดับเหมือนหัวฝี อย่างยินดีเนะพระบรมศาสลาให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดป้นตามเป็นจริงซักพระบรมศาสลาส่วนที่คณะอาชีวศชนะโคตก็ได้แต่เพียงไตรชนะคมเท่านั้นส่วนพระส่วนพระสาเีบุตรทํางานพัดอยู่ข้างหลังของพระองค์อย่างนี้ก็เอาพระอาหารหันต์ไปกินแลว้วนั่นเทศกันเดียวกันเบื่อนายความหลงของตนแลว้ว คำว่าเบื่อหน่ายก็คือเบื่อหน่ายความหลงของตนนั่นเองคำว่าแก้ความหลงก็คือแก้ความหลงของตนนั่นเองปัญญายะปริสุทธิ์สติบุคคลจะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญาโลกามิปัโธโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเท่านั้นจะชนะความหลงผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาสิ้นห้าไม่ได้ ผู้ไม่มปัญญาไม่มีปัญญาก็รักษาสิ้นแปดไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีสติใช่หรือไม่่ยเหตุฉะนั้นปัญญาจึงเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดศสียสมาธิเป็นเมืองขึ้นของปัญญาทั้งนั้นผู้หัวก็มากระมี่เนาะปิเลิกต้อนากันกับเป็นตาดั้งเลยเหรเนาะ ยังไหวะอย่า ไ, ได้เมื่อยบอกเมื่อยบอกก็ไปขึ้นทั้งริบมันเมื่อยมาขึ้นทั้งพี่พูดค้คนบ ง, งจัำไปปีนขึ้นทั้งลิบพูดชัวขึ้นมาหอดมันห้ยจนสิ่งแต่เป้าหน้า ม, มันสั้นทั้งริบอะ่ะมาอายู่ที่ยงแรกมันก็บม่เป็นเรื่องซีดอกมาอายู่ที่แรกก็อายุตู่เฟื่องสามปีเหมือมันพระว่ามันพระกรรมฐ า, านพุ่นนั่ง ข้อน้ำอายส12ปีมาโยนีเ อ, อ่อมันเลยห่อนหอดไทยเทวราชอินตาหินชีาลาอะไแข็งแกนกระด้างมันก็เลยบันดาลได้วัดสนอกมัดชัวรชีวิตมันก็มีวัดเดียวเท่านี้ละสีเฮ็ดล้วหลา ง, งามปันไดกระซ่ามันก็ออกมาจากท่าดินน้ำไฟล่มหละฟุลค้นก็นมาถามรลงปู เฮ็ดวัดดีๆที่พวเป็นเพจมั่ยู่นีพวกหลวงปู่สันห่วยพวกดะเป็นเอ๊ยวะเมืองสวรรค์จบก็นี่ว่าวิวานแก้วก็แก้วท่านนั้นวิวาดท้องกับท้องท่านั้นวิวานข้ามกับข้ามทั้งนั้นว่ามันเกิดยุติอำนาจอันนี้จังเนี่เกิดขึ้นแนี่กาแฟป่วนเนี่แต่สลายเนี่ว่าเฮ็ดดีเฮ็ดจบเฮ็ดง่ามวันนด้ก็ออกจากธาตุดินนี่แล้วว่าพังกับพังลงธาตุดินนี่แล้วว่าจังเนี่ยดินก็แตกไปเป็นดินหน้ามันไปแตกไปเป็นหน้าไฟก็แตกไปเป็นไฟลมก็ไปแตกไปเป็นลมมาจังนี่ยว่า ท่างเทิงไปยังเจ้มาไปยู่วาสังท่างเทิงไม่พระพุทธรูกก็กี่อานี่นี่พระพุทธลูกเนี่ยาเจ้าหอวเกามาเนี่ยเจ้าหัวเกาะมาจะคว้าหนังสือเต็มเนี่ยนี่แล้วก็เข้าอยู่เทิงหนังสือมาคว้นดูวาสังร่องไปยู่รวมซาลาสัท่างเทิงพระพุทธรูปเต็มเลยค่ะองค์นี้จะเอาขึ้นไปอีกย่านนักลงมาเฮ้ยเขาแล้วกันยักษ์จะเอาไปไว้หันองค์นี้วาสังมีม่อนพ่กไปหัน ่เพราะว่าผู้ใด้แล้วเนาะที่แรกออกเคลื่อนกัญชาสองแท้วไว้ลูกหลายคนมากกับเฮ็ดไงเห็นตัวแต่ทั้งออกเฮ้ยก็คือกันเลยเนาะแน่ควรสิี่เร า, นเน า, อ, าอีกอยังมีอยู่เรื่องพิเศษเราคนเดียวเป็นมนุษย์โลกไม่ได้เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้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 เอา่าไส่ที่เอาอะเบาได้ก็หนินรนนมรมันกรมอบให้มัดโลกน่ะอายุคนเดียวก็บ่าเอาเน่รัชการที่หกเพิ่เบาข้าวที่เรากินชาวนาเป็นผู้ปลูกโรงสีเป็นผู้สีพ่อข้าเป็นผู้ข้าขายคนเราต้องอาศัยกันและกันดังนี้ คุณในใจโลกธาตุนะคุณอในหลายๆกมูสูคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาได้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณเสียนคุณท่านคุณแก้วสามประการคุณเสียนคุณท่านเป็นเมื่อขืนของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นเมื่อขืนของคุณพันเอพานไปร่วมคิวกันยกพุณมดเอาโลดเหลียวไปใสกับมีแต่คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันเมือนี่ยเ่อนี่ยเขาเห็นแก่นอาคาซื้อพระพุทธพระธาตุประสงค์ตัวเขาเอามาซอยเมื่อเนี่ยเขาแม้ฐานพักเสหนึ่งผาห่อกระดูก่เมื่อนี่ยอันเมื่อเนี่ยว่าใส่มื่อเนี่ยเปนของพระพธิเก่าเมื่อนี่ยขี่เพนวัเน่ะอุปมาโม่เห่อยังได้ไตรธาตุนะมาเล่มขี่ได้เมียวพระพุทธพระธาตุประสงค์ของพระลรหันเนี่ยโม่เห่าอุปมาคือนอนล่ะเป็นคืนเป็นร่ง ขาฟันนั่นแท้งกับปันการกับปันนั้นส่วนพระทหารพ้นออกไปจากนอกโลกแล้วมูอเท้ามาเล่มขี่พันเข็มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็เช่ไปในทางเทือเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆหรือกุศลผลบุญใดๆหรือคุณใดๆก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อ มีเทียบในทางสูงเที่ยงในทางลึกซึ่งเพื่อให้คํานึ่งในหลายทางน้ำให้หนองคลองเบิงบางต่างๆไหลลงสูง่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆและพระเดชพระคุณใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนและพระเดชพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ได้ไหมรู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไหมเชื่อทําฝ่ายเกิดไยดับ ก็เกิดก็ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางกลางคืนใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงก็ทำทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้ลงธรรมะมาชกกันเลยเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุนั้นพระบารมีศาสนาจึงยืนยันว่าเรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมุติเรารู้อิมมุติตามเป็นจริงของอิมมุติแต่เราไม่สําคัญตัวอยู่ในสมมุติและอิมมุติด้วย เรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้วิสังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่สาคัญตัวอยู่ในส Mont ังขารและวิสังขารด้วยพระบรมศาสตราเรารู้พระเนพพานตามเป็นจริงของพระเนพพานเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองด้วย เรารู้สมุติตามเป็นจริงของสมุติเราลูอยมุด ต, ตามเป็นจริงของอยมุดแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองด้วยเรารู้ใจตามเป็นจริงของใจเรารู้ผู้รู้ตามเป็นจริงของผู้รู้แต่เราไม่ติดอยู่ในผู้รู้และใจด้วยเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีพระบรมศาสตราทำชั้นสูงอันนี้สูงไปสูงมากขึ้นล่องขึ้นลน่องคือเขาขึ้นกบปักตาลมูเห็นบ่ ว่้ยเมื่อยดีเอาว่าปันไยเขาหามว่าเว่าหลายด้ยหรอมีโรคด้วยนี่โรคหัวใจอะ้วต่โรคหัวใจตีบมันระเบิดมากนังแจสองพันห้ารอยสามสิบ่ยโรคใส่เลือดก็ม่สามารถทานบอพาบ อ, บ อ, บอตัด มาแต่สองปัญหาลอยยี่สิบสองหนมู่พันที่เอาไปพาไปตัดด้วยกับว่าเอาโลกโรกมาโตโลกทุ่งดําดีเป็นนิ้วแลียกะโลกพุ่มแพร่เรโลกสรารเป็นหัวจักจะศาสตร์กร่อนมันคือจิเขียมซัดรลายแต่สาสตร์นี่ก็เขียมซัดรลายเช่นกัน ง่วงมากม่อมออกมาใส่เกียนเสียฟ้ารังมันเดี๋ยวนี้ขันหรังมาเศ้าจังเดียร์นี่อายุสิบหาปีไปยิ่งนกอพุยิ่งได้นกเขาตัวเดียวนี่ยจะเกิดมานกยิ่งถึงนี่ตกวันเราก็แก็ะ ดูอดอนดังมืนตบว่าเราก็แก๊กว่าเราก็แ ก, ก๊กว่าเราก็แ ก, ก๊ ก, แ ก, กลงมาตกระสั้นนะสันว่าเคยด้ในรอกวันเถอะพู้ผูจักสองว่านี่หละไปยิ่งตบลงมาตบลงมาข่าลูกพ่อลงมาตกระชอดออกถอดออกลูกพกเนี่ยก็กอกอกอกอมึงชนามึงชนะมันส่ายสันละแต่อายุสิบหา ป, ปีผลกับมากสองพันหารยสามเน่ ระเบิดคันนี้แล้วเนี่ยระเบิดคันว่านิ่งนกน่ยไปโรคพยาบาลเกือบว่าท่านนะโกรกหัวใจตีบนั่นไนระอธิบว่าเสียกรรมกระช่างเข้าที่เสียเพื่อเดียวกรรมในผลของกรรมเคยได้ผูกแอวกบไปย่างง้วตายวันไหนปีงินตายวาไดไเนปีงินอายุสิบสามสิบสี่ปีสิห้าปีนี่ ได้เอาเข็มพัดหัวงูมาใส่ไว้ไ่ใส่เลือดไงอ่อกันใส่ไว้โดนร้ายผ่นเลือดก็เดินนั่นหายสืบว่าเสื้อกำแล้วพวงกลับกับสร้างเฮ้าดีเสื้อเพื่อเดียวอือเคยไปเคยไปจับงูอ้อยเขาตอนตัวเดียวท่านอ่ะเราไปล่อมันจับงูอซอยเขาตอนอ่ะไปร่อมันบักเฮโรมุนก็้สูขห้องเนอพน คำว่าทับบักหค่หำมึ่งเหรมึงขน้องวะท่นมึงไปเที่ยวซ่นเขาว่านขายปลออกวะท่นเขาไปจับอยเขาตัวเดียวท่านล่ะมันก็ห้องอูกๆุมันเก็บมันัวปลาว่อลอมันเขาแปลงหูแปลงสมให้มึงรอมึ่งังสึกสี้ล่รายว่านสองพันหาร0อยโอสองพันสี่รอยเก็ดสิบหานะล่ะสองพันสี่รยเก็เท่าพอถึงสองพัน หารอยี่ที่สองมันกล่าว่าแปลงหูแปลงสมไม่เข้าซะหนาแน่นั่นในใช่แชมป์ควาทอยู่นี่เห็นบอกนั่นไผบดเสื้อเข้าจะเสีอก็อเดียวในนั่นทังชั่วกระได้นนทั้งดีเข้ากับทีเสื้ อ, อเขนี่เข้าเข้าเคยได้เฮ็ดเก้าอี้ให้ล้วงผู้มันโกนผมเคยได้เฮ็ดเตียงให้เพิ่นสวสดปฏิโมกข์ให้เพิ่นนอน เดี๋ยวเขาบดเดือยนี้เดียโตไปว่าสิสมัยนั้นพระอาจารย์มหาบัวอยวน้พระอาจารย์มหาบัวเพิ่นอ่อนก็โตพันาอรายก็โตท่าทนอาจารย์มหาอะยรภาษาเกบว่าได้เอื้นมูลลูกตาบัวว่าได้เอื้นมลูกปูบัวทั้งเสมอท่านอาจารย์มหาเลยนให้คู่บ่าอาจารย์ไปกราบทูนเพิ่นให้แน่ ข, นขนันขอน้อยใส่ใบตาบุญขน้อยกับผืนยูหางแถวพุ่นมันมันจะ ข, ข่มามคู่วะอาจารย์มันคือจังอวดดีตวะท่านแล้วอยากเฮ็ดเตียงให้เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดอันจยกเฮ็ดเก้าอี้อยากให้เพิ่นโกนผมเนี่ยนะวะท่นเตียงก็ขอว่าเฮ็ดแล้วทางทางังยมราชเนี่ยเฮ็ดดอกอบอกต่เก้าอี้จะก่อนให้เพิ่นโกนผมมันทับขน้อยเด้่ยขันขอน้นอยขน้อยอว่าเฮ็ดว่า ขน้อยเป็นผู้อายุพันษาหน่อยไม่ไปยั้งจ้าที่ทับข้าศัตรมื่ก็ทับที่ขน้อยบวชบวชไายอายุสามสิบเคยสางฆราวาว่าขน้อยเฮ็ดเป็นยุเฮ็ดเก้าอี้นี่วะท่านคู่บาอ า, าจารย์มื่กลับวัดทับแล้ววะท่านเพราะว่าคู่บาอ า, าจารย์บวเคยไ ด, ด้เฮ็ดเรียบบวได้ดสางโลกวะท่านขน้อยมันได้ดสางโลกวะท่นอายุคันสามสิบขน้อยจังได้มาบวชอีกว่า คันว่าสั่นเฮาก็สจเว้าวเพื่อนให้รั่งเนาะเพราะว่าเพื่อนกัไปถามไปถามย่านะท่านาเพื่อนว่าเพื่อนอยากเฮ็ดเก้าอี้ให้องหลวงปู่กวนผมมาสั่นมันกวยยกเงี้ยงงเงี้ยงยุ่เก้าอี้ไม่ไพ่มาสั่นเพิ่นว่าขันโบเห็ดมันทับเพื่อนมาสั่นพอเพื่อนคยสางฆราวาสมารั่นหลวงปู่มันว่าเรากวนไพ่มาเมาง่ายเลยหลวงปู่มันสัด่นค่อยยังเนี่ย โอยยังพอนางยุนด้ว่าันโอ้ยอันไม่เด้ะสิเอาใสา่เไปรบกวนแคบานเขาเน้ยมบ่บ่บไปรบกวนหรอกว่าสันไม่ไมอยูว่าสันสอดรักสอดว้ น, นี้หาเอาเออคำว่าสันก็เห็ดซะนเก็เลยเห็ดเ็ดอยู่กเก้มือก็ได้แล้วรบกมมหาก็ดเฮ็ดซอยย่มากยู่มากเฮ็ดเตียงอีกเตียงขัดขน้อยเพาเฮ็ดมากระทบขน้อยอีกลว่าสัน ขอโอกาสเลยขอหน่อยอีกได้ไหมครับขอโอกาสเพิ่มก็เลยว่าอะไรหายอดอีกนั้นฮะเนี่ยรบพัวมาหามามาซ้อมืองซ่าไรแบบเนี่ยสมิผู้ไปฟ้องว่าเฮ็ดซ่าไรไงน่ะคือห้วยว่ายไปแน่นอนออกนะซ่องหันซ่องนี่ว่ายไปแนะนอนออกนะเพิ่นก็เลยว่าให้เพราะบวันนีนข่าวว่าตัวไปแพ้ไปขอเนี่ย โตบ่แพรบ่รขอเนี่ยมันม่มากเหุบ่มีมา ก, กเหตุฮะนี่พเราคนทั้งหลายผมว่าสีสางตายยังก็ดอ ว, ว่านไม่คิบว่าเป็นเผลิไหมโยนีบอแลูกกระเพาะโยนีตะเก็ยบสิบองค์นี่ยเสไปนอนใสกระเาะสัญญวานแล้ ว, ว, ลว <laughs> เจ็ดจิบสามสำหระบบอสเน้นซีเป็นเจ็ดสิบซี ไเปเบธาบาทสท่านี่มันมันลงถงตะวันนี้เนะ่พูดมันเป็นกรอกเป็นส้อยพุทธีมาตรามก็เศ้าสามเชียบหลังหมดแน่พุทก็เป็นกรอกเป็น้อยพุทธีาตรามก็เจ้าสามีหมดนี่กียริเบแปดเีบหลังเนกุติอ่ะอ น, นี่สิตีว่าตายว่าสางก็ตามโถอ ว, ว่าสังทว่าคำว่าพุทธเจ้าอันนี้วะ อนาาบินนีกษตรทีกระเป๋าเดียวซีที่าโกดว่ากระเป๋าเดียวซีที่ผากดไ้นสางวัตเน่ะอนาาบินทีก็เสทีเข้ากระเป๋าเดี่ยวซีที่าโกดไม่บอกซีบล้านึ่งไปโกดเอากดเอาซีบไปคุมงูบหาหาซีบซีซีเป็นซีซีซีซีร้อยหาบบล้านกระเป๋าเดียวไปไปสางอไรนักเทียนั่นน่ะเห็นยจะบุญไหวกันไรทสตายตัวม่เขา ไม่ทีว่าสั่งก็สร้างหอกว่าสั่ชัวชีวิตนี่ก็มีวัดเดียวเท่านี้วั่เท า, า น, เนั้นมูฟเนตั้งพันวัดเลย ว, ว่าสั่มันมีเนียบังับเลยขันพระเหุผทางขืนก็ได้มันไ่มีผทางแก่แป๊บมากพุ่นต่อหน้ามาแต่พุ่นสี่กิโลกัน้าเนี่ย น, า น, ายาน้ามยนู่บีเน่ต่อมาแต่พุ่นสี่กิโลกจะพูด โอ้ยลูกค้นมาเป็นตาสาเทศอมาเหงัง แ, แม่แม่ดาเห่าตะ ก, กี้เห่าเป็นลูกลาลูกแปดคนลูกแปดคนเป็นลูกลาผู้ให้ก็มูเห่าแม่เห่าดาเห่าตะ ก, กี้บักนาโคตรโลดบักนาบ่มีมุมไม่แก่พนะคันดาขนาดนั่นเนี่ยแปลว่าดาเก่งที่สุด บักนาโคตรโลดบักนาบุมบ้มันไม่แก่ว่าสั่นคันว่าแล้วผ่านาเข้าเคียดผมมาหาอุบายบอาเข้าใจดีแต่แม่มืเย็งเทนน่านั้นล่ละดาเท่านั้นล่ละเอาหายพอ่อรีจะสืบเนด้อเหรอเนาะยัตถาวาลิวาหาปุราปริปุเรนติสากขาลาเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปการปิติทิฏังปิจิตตังตุมหงังเขปเมวะสัมมิะตุสะเพปูเรนตุสังกะปา จันโทเปนอะไรโสยถามณิโชเิระโสยถา ท้าพีติโยเยวัชจรัสภะทุโขต้าพะเพยโยทุโขโภวินัตตุมาเตผะวัตวันตรายวสุขีตีกาโยโกพระอภิวาทนาสีริษ า, ยายนิจังุทธาปจายานุจตารูธมามวัฒนติอายุวนุสุขังภาลังท้าพุทธานุภาเวนะสัพพธรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสร้างครัตนังติณังรัตนานังอานุภาเวนะจะตุลาสีติสาธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตตยาณุภาเวนะ เชนอาสาวกานุภาเวนะสเปเตโรคาสเปเตพยาสเปเตอันตรายาสเปเตอุปัถวาสเปเตทุนวิตตาสเปเตอมังขราวินาสันตุอายุวัตโกตกาธนวัตโกตกาสิริวัตโกตกายาสาวัตโกตกาพระวัตโกตกาวรนวัตโกตกาสุขวัตโกตกาหัวูสัพทาสุขโรกปยาเวยาโสกาสตุจุปัถวานิการตรายาปิ วินาศสันตุจตเตยิศาสาชิติทธิทะนางราฟังโสติภาคยังสุขังปราศริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยะสวาจะตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิปวันตุเตปวัตจะสัพพมันคารานคันสวาเทวตาสัพพุท ธ, ธานุภาเวนะ สัทาสุตรทิพวันโตเตผวัจจะสัวพมังคลังรักันสาปฏิปตาสัพพัฒมานุภาเวนะสัทาสูตรทีพวันตุเตด้วยเดชพระพุทธศาสนาะอันทรงพระคุณข้ามามีประมาและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยแม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และแม่รู้แม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและแม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกทวนหน้าที่เทั้งใจโลกา ต้องประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรบราชพุทธศาสนาของพระสมานราชพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็ถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดูว่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อคืออรันะี่ยทาหอมหย้ยหัวผู้ส้นหนีบฤทธเดชป่ะกาศเสียมาได้ดังใดยค่นี่เดชคำกาะเทศสิางงานไสแม่นหม่ะมีประโยชน์ด้วยประการสิ่งสันใด จังด้ท่งรั่วผันลวงล้มมาพี่บัวร้านคำบัวรานถึงคิดเธอใจได้น้อแม่นบ่อ ม, มีประโยชน์ด้วยอะการเสี่งสันดไหนจึงด้ท่งรั่วผันลวงล้มมาพี่คำบัวร้านถึงคิดเธอใจแค่เดียวนี่มันจะหายได้ได้ปรจื้อไหวได้บ่ได้ได้จื้อไหวได้ไดไดตัม่งตัว ลุกๆทอดเขาสิญาติเอาอ้วนเจ้าจะนอนรับหลายเรือนข้องเหล่าล่นเขาสิมาเจะคนโคเร่ทั้งแต่ลางพระกันลุกใส่พระพุทธพระธรรมประสงค์พระญามาจราลาที่เอาไปตายนะมูจิบอกพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนดงเราก็เหมือนอยู่คงเชีพยด้วย พระพุทธศาสนาพิราตรงจา ก, กจิตใจของพวกเราเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนวมดม้วยสุดชิ้นสกุลพุทธ ใ, ใครลานใครรุกรา้าวชาวพุทธผลของกรรมอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีแล้วไร้กฎหมายใดๆของชาวโลกก็ตั้งมาอยู่อูของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยชาวไตรโลกะยาประมาทพระพุทธศาสนาเถิด มันมีอยู่สงสัยอะไรอีกทีนี่นี่ทําเบื้องต้นทําเบื้องกลางยังมีอีกทำเบื้องท่า ย, ยังมีอีกพระพุทธศาสนาทํามนุษย์ฝ่ายมนุษย์สมบัติเนี่ยายฝ่ายสวรรค์สมบัติยังมีอีกผู้ภาวนาพุทธโธพุทธโธอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ดีตายเวลาไหนก็ไปสวรรค์เวลานั้นพุทธโธธรรมโสังโคเป็นเชือกสามเกลียวรวมกันอยู่ เหมือนเราเห็นหน้าก็เห็นตากันแต่พูดอักษรย่อเฉยๆว่าพุโทโธไอีิแทตโมก็อยู่ด้วยกันสังโคก็อยู่ด้วยกันนั่นเองเพราะเป็นเชือกสามเกลียวเหนี่ยวนั่งอยู่ที่ดวงใจของเรา เหตุฉะนั้นเราจึงพิเสษว่ายังเจีนเจีรัตนังโลเกวิสติวิวิธังพุทุรัตนังพุทธะสมังนัติตัดสมาโสดที่พวันตุเตรัชนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีนัตถิเมธนัตตังอันยังชนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เท่านั้นเป็นชนะอันประเสริฐขระข้าพเจ้าด้วยก่าวคําคสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เรา เรียกว่าปฏิญญาเนี่ยแล้วลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอมอบกายสวรรคชีวิตต่อพระพุทธธรรมผสมอยู่ทุกเมื่อตามเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้เลิกได้ไม่เลิกได้ก <andal ek. S 1> <ding> ็ดีขอถึงซ <realms. S 1> ึ่งพระพุทธพระธรรมพระสง์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้วเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอขมาโทษด้วยกายวาจาจใจต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระยสงฆ์พระเจ้าผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเราอธิษฐานไว้แล้วเราตั้งสัตยาอธิษฐานไว้แล้วเราอธิษฐานไว้แล้ว เราตั้งสัจจไว้แล้วถึงแม้เราลืมก็คล้ายๆกับว่าเราภาวนาพุทธโธอยู่ไม่มีการวันกลาเกิ น, นเราก็ต้องมีปัญญารัดกิเดส ข, ของเราไว้แล้วเลิกได้เมื่อเลิกได้ก็ดีพุทธทัศสาหัสสมิธาโสธรรมัศสาหัสสมิธาโสวะขอเป็นท่าข้าเป็นท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ท้อว่าไม่มีประมาณตาวเท่าท่าสู่พระเนปานปัจจุบันอาทิตยปฏัติวนธรรมะในที่รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดทอนตามเป็นจริง จงปฏิบัติตามมปนจริงจงรู้ตามเป็นจริงจ ง, จ ง, จงหลุดพ้นตามมป็นจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเถิดนี่หมายความผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันในชาติกับปัจจุบันในกิตกับปัจจุบันธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติเห็นอนิจจังขณะจิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วหายใจเข้าอย่างนี้ก็เห็นอนิจจังขณะจิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วหายใจออกอย่างนี้ก็เห็นอนิจจังขณะจิจหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว เห็นทั้งทุกขังและอนัตตาอยู่พ้อบกันด้วยเพราะลมเป็นแต่สักฝ้าลมใจเป็นแต่สักฝ่ายใจผู้รู้เป็นแต่สักข้อผูรู้อันนี้หมายความว่าผู้หวังคนทุกข์ในปัจจุบันในชาติอดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคืออันนี้จังทุกขขังอนัตตาที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคือทุกขงังอนิจจังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่กำลังเป็นอยู่นี่พูดขนาดทำชั้นกลางพูดขนาดทำชั้นสูงใช่สูงสุดอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ร่วมไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่ยังกําลังเป็นอยู่เราจะรู้ เรารู้จักอดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้จักอนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้จักปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามนี่ทำชั้นสูงน่ยเพราะพระพุทธศาสตร์พระพุทบรมศาสราจึงยืนยันว่าเรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมุติเรารู้เวมุดตามเป็นจริงของเวมุติเรารู้เนพานตามเป็นจริงของเนพานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสาม เหตุนั้นวิญญาณปติสนธิของเราจึงไม่มีเราจึงข้ามทะเลหลงไปซักชะนะก็ชะนะตนเองแพ้ก็แพ้ตนเองชักก็ชะนะกิเลสของตนเองแพ้ก็แพ้กิเลสของตนเองชะนะแพ้ในทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสนาแต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็มีแต่เวรสนองเวรภัยสนองภัยเท่านั้นเอง ผูกแพกร่กิเลสเอ้าใครหาความสุขในโลกเจอเจอะพบปะพระท ห, หารหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอะไม่พบไม่ปะไม่เห็นเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงด้วยพระสติพระปัญญาอันเหนือความหลงของตนข้ามทะเลหลงจะข้ามความขี้เกียจก็ด้วยความหมัน จะข้ามความตสนีหก็ด้วยการให้ทานจะข้าวความโหดร้ายก็คือการรักษาศีลยังมีเสน่ห์ก็จงให้ทานอยากมีอายุยืนนานก็จงรักษาศีลไม่อยากหลงก็จงภาวนาพระบรมศาตร า, าสอนสอนธรรมชั้นสูง ช, ชั้นกลางถอยไปถอยมาอยู่อย่างนั้นออถอยมาปาราบชั้นต่ำว่าชั้นกลางว่าชั้นสูงว่า เมือนเราขึ้นบันไดเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแต่ไม่หนีจากบันไดเหมือนเราหายใจเข้าเราหายใจออกหายใจเข้านี่คุณของพุทธธรรมสงฆ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าความเกิดแก่แกบตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าความเปื่อยความเล่าในสกนร่างกายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าอือม่ผลที่พานฝ่ายเกิดฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้า ทาไฟเกิดดับก็มีอยู่ทุกลมหา ย, ายใจเข้าถ้าจับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตีความหมายได้หมดเขียนทิศจะมีกี่ล้านก็ชื่อไปในทางทิศเนี้ยโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็เป็นวันขึ้นคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่รู้ไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นหนูก็พูดรู้และไม่รู้ไม่ขึ้นหนูก็พูดเชื่อและไม่เชื่อ เป็นจริงอยู่ไม่มีกางวั น, วนกลางคืนเรียกว่าอริยสัจคุณจริงอยู่ไม่มีกางวั น, วนกลางคืนเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำนึงในหลายทางน้ำให้หนองครองบางๆต่าง ไร่ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆ้อไรไ่ลงสู่คาสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับถือได้ไม่รับถือเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยไม่มีใครลบล้างได้เลยพระเจ้าจะมีขีระร่านพระองค์ก็มาสอนอันเดียวกันไม่ไดบล้างพลบอกันเลยไม่เหมือนชาวโลก ชาวโลกตั้งคนหมาย้นหมูก้พนักก้นพวกไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันหมูมากลากไปลากไปทางผิดมันก็ไปตกเขวหมด